พระธรรมเทศนาลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าผู้ตักเตือนเหมือนชี้คุมทรัพย์ให้แล้วันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นวันพระ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 สิโหสถจากนั้นก็ได้บำเพ็ญกิจกรรมภายในวัดพัฒนาวัดตามที่เห็นสมควรแต่เย็นนี้ก่อนได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นต่อนี้ไปก็จะได้ฟังหลวงพ่อกล่าวสัมโบษริยคถาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาเพราะว่าทุกคนพวกเราจัดโยมทุกท่าน ที่เขามาสู่วัดวาศาสนาก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หรวงพ่อเองที่อยู่เป็นฝ่ายพระสงฆ์เปรียบเทียบเหมือนช้างเท้าหน้าศรัทธาญาติโยมเหมือนช้างเท้าหลังช้างเท้าหน้าต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องถ้าไปเดินไปทางผิดช้างเท้าหลังก็เดินผิดไปด้วย เพราะนั้นช้างเท้าหน้าจะต้องอะไรรับการอบรมจะต้องอะไรรับการศึกษาอันไหนผิดอันไหนควรอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรหลวงพ่อได้นํรทมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาไดเรียนมาได้ศึกษามาแล้วก็ได้นามาประพฤติปฏิบัต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 สิ่งที่ได้เรียนได้ศึกษาไน้ปฏิบัติมามาบอกกล่าวสืบทอดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดกล่าวไปไม่ถูกตการรมหลักพัทธมิัยมันแปลกแวกออกไปก็หลวงพ่อยินดีที่จะรับฟังเสียงจะทอนย้อนกลับมาหา ห, าหลวงพ่อเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดไปแล้วก็จะเป็นถูกร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้รับรองถึงขนาดนั้นแต่ในใจของหลวงพ่อเนี่ยรับรองให้เกินร้อยแต่ว่าแบ่งรับแบ่งสู้ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้ ร, รับการศึกษามาอาจจะมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างออกไปก็พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลทุกทุกท่านกับการศึกษาของแต่ละท่านนั้น นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรม8ปดหมสพันพระธรรมมขันกระสุดแท้แต่ครูบาจารย์แต่ละองค์จะยิบจุดไหนหรือจะยกจุดไหนออกมาประกาศเผยแพร่ออกมาบอกกล่าวออกมานํามาชีา้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนจัตทาร่ายายม ได้ฟังแต่บางทีก็จับมาบักบางประเด็นก็บางทีก็มีการถกเถียงกันบ้างอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาสุดท้ายภายหลังจะให้เหมือนในครั้งพุทธการไต้ได้ฟังจากเฉพาะได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจริงเฉพาะพระพุทพระพุทธเจ้าจริงแต่กะนั้น ออกมาก็ยังออกมาประกาศเผยแพร่ก็ยังแตกแตกต่างมีความคิดเห็นเพราะว่านาน า, นาจิตตางนาทนานาทัศนะเมื่อฟังจะพ่อพระพักพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าพอออกมาแล้วความคิดของตัวเองเข้าไปในจุดหนึ่งก็ตีความหมายออกมาอย่างหลวงพ่อก็เคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังธรรมเทศนามาด้วยกันพอออกมาแล้วจันตีความหมายออก 8, 8, แตกแตกแตกต่างกันคือบางองค์ก็แตก ตีด้วยศรัทธาอบางองค์ก็ตีด้วยปัญญาตีด้วยศรัทธา ค, ค่อยๆว่ามีความเชื่ออ่อยๆว่ามีลักษณะอภิเนหานลักษณะอย่างนั้นแต่บางองค์ก็พูดตรงๆคว่าไปวิเคราะห์ด้วยปัญญาทำพูดอย่างนี้ท่านมีความหมายอย่างนี้แต่แปลอย่างนี้มีจุดประสองค์อย่างนี้ขนาะเราฟังมาด้วยกันก็ยังอมีความคิดเห็นแปแตกต่างกัน ไม่ต้องพูดถึงในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันผมหลวงพ่อมั่นใจน่าจะเป็นอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสพระสงฆ์ทั้งหลายก็นำมาประกาศนามาเผยแร่ให้แก่พวกเราแต่บางองค์อาจจะจับประเด็นหนึ่งบางองค์ก็จับประเด็นหนึ่งในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุค ป, ปัจจุบันท่านก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าตาบอดคำช้างลักษณะอย่างนั้น คือพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังถ้าผู้ตาดีคาช้างเขาก็เห็นอันนั้นหูอันนั้นหวงอันนั้นงาอันนั้นขาอันนั้นหางอันนั้นสีข้างอ่ะอันนี้คือตาดีมองก็เห็นได้ว่าอันนี้คือช้างแต่ตาบอดเถอะเนี่ยพอตาบอดหลายหลาคนสี่ห้าหกคนนี พอคำจับขามันอู้ขาช้างเนี่ยคนหนึ่งจับขามันอู้ช้างเนี่ยเหมือนกับต้นเสาอแต่คนหนึ่งไปจับสีข้างมันบอกเออช้างนี่ยมันเหมือนกับฝาบ้านแต่นน ค, นนนนนคนหนึ่งไปจับผางคนเอยช้างเนี่ยเหมือนกับไม้กวาดอะคนหนึ่งก็ไปจับงามอีกงามันเกลือกกระท่อนไม้่ะอย่างนี้เป็นต้น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 อไม่เห้ว่ากันให้เข้าผู้ใดพูดเข้ามาที่มันเข้ากันได้ เ, เรื่องศีลมีความหมายยังไงเรื่องทานมีความหมายยังไงเรื่องศีลมีความหมายยังไงเรื่องสมาธิเ ร, เรื่องวิปัสสนามีความหมายอย่างไรอันนี้พวกเราก็จะต้องมาฟังอีกเลยเพอว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์เอาหมายย่อยให้แก่พวกเราให้เข้าใจ อย่างทานอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานบางองค์ก็อาจจะไปอย่างหนึ่งแต่หลวงพ่อประวัติทานคล้ายๆว่าเป็นการเสียสละมีน้ําใจต่อกันถ้าโลกทั้งโลกไม่มีการเสียสละไม่มีน้ําใจต่อกันโลกอันนี้เหมือนกับขาดน้ําเชื่อมเหมือนกับเข้ารถช่องอย่างนี้แหละจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นน้ําเชื่อมไม่มีอมันก็หารถหาชาติไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ด้วย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 อย่สัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยคนที่มีศีลไปนสถานที่ใดกอบติ๋นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ระแวงแคลงใจกันเพราะว่าถึงยังไงก็ไม่คิดจะฆ่ากันถึงยังไงก็ไม่คิดขโมยกันแต่ไม่ถึงยังไงพวกเราก็เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาลูกหลานซึ่งกันและกันยังไงพวกเราก็ไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันแต่ถึงยังไงพวกเราก็คงจะไม่ดื่มของเสพของเมินเมาจนขาดสติ เมื่อขาดเตีแล้วเดยข้าวฟันข่ากันลังแกเบียดเบียนกันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะพอเรามดไม่เสษของมึนเมา อ, อยู่แล้วอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือสินห้านะมีอยู่กับทุกคนใจเขาใจเราะนี่นก็คือสิลเรื่องสมาธิก็คือแนวความคิดจะทำยังไงจึงจะคิด เป็นสัมมาทิฏฐิคือทางที่ถูกต้องถ้าพิจังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดที่ไม่ถูกต้องการคิดที่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีกับทุกคู่ทุกคนกับทุกวิญญาณกับทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันอย่างทุกวันนี้พวกเราได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังโด่งดังพระเปอย่าง้นพระไปอย่างนี้ ทับอากับกิจยาไม่เหมาะสมอย่างนี้อย่างคุกวันนี้พวกเราก็เห็นในสื่อต่างๆแต่พวกเราก็อ่อนอกอ่อนใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยทำไมมันเป็นทาไมเป็นอย่างนี้แต่พวกเราจะไปอ่อนใจเพราะโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราย่งไม่เกิดในครั้งพุทธกาลก็มีครั้งไหนๆก็มีบางครั้งบางยุคบางสมัยยิ่งกว่านี้อีก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 เป็นยาเสพติดอย่างร้ายแรงแต่นี่มันเสพติดเกือบทุกคนก็เลยพูดไม่ออกพอพูดมาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกอย่าไพูดอย่าพูพดพรมันเจ็บมันเสพติดทุกคนอย่าพูดปนะพอ่พอยเลยพราะมันเสพติดของภายนอกกว่านั้นมันก็เสพติดแต่ว่าตัวนี้พระพุทธเจ้าบอว่าตัวนี้ตัวร้ายแรงที่สุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนะ สิ่งเหล่านี้แต่เราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละแต่ถ้าพูดขึ้นมามันก็กระเทือนมันกระเทือนใจลึกๆแต่ถ้าไม่พูดพวกเราก็จะมองไปอีกมุมมุมมองนึงว่าโลกทางโลกนั้มันเป็นอย่างไรเพราะโลกทางโลกมันมีหลายแนวความคิดมันน า, นานาจิตต่งนางนานาทัศนะเพราอนั้นเรื่องพระสองฆ์องค์เจ้าก็ดีเรื่องคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีขั้นผู้ใดใครทุกคนในในโลกนี้ มันมีสิ่งที่ควรหรือไม่ควรมันเกิดขึ้นได้ทุกเวล่ำเวลาที่ว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันเกิดอยู่กับไม่ได้เลือกว่าเป็นคณะสัทยาญาโยมหรือว่าพระสงฆ์หรือว่าไม่ว่าไม่ว่ายอยู่ในระดับไหนมันมีโดยการทั้งนะั้นอย่างในครั้งพุทธการมันไม่น่ามีมันก็มีไสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าปารบ ถึงลูกศิษย์ของพร ะ, ะ, ะมหากัะจับปะพระมหากัะจัปะท่านชอบอยู่ในป่าดงพงไพอยู่ในที่สงบเ อ, อหลีกเล้นอยู่ตามป่าดงห่างจากหมู่บ้านแต่ท่านมีกระต๊อกแลมีที่พักเ อ, อเป็น อ, อรัญญาวาสีคืออยู่ในป่าท่านก็ไม่มีท่านไม่มีพวกมากนี่องค์สองสามองค์ ที่อยู่กับท่านแต่ขนาดนั้นก็เถอะพระอยู่ด้วยกันขนาดนั้นน่าจะมีสิทธิ์เป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับพระอราหันต์อีกต่างหากอยู่กับพระมหากระจปะอีกต่างหากท่านก็เป็นธรรมอยู่แล้วแต่ผู้มีผู้พระที่อยู่ด้วยเป็นอันตภานก็มีไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีแต่มันก็มีเพราะเหตุอเพราะว่าคนมันมีกิเลสทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัย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 แต่องค์หนึ่งชื่อสัตสุจริตปณิบัติพระมหากัสจปะพระมหาจัปะท่านก็ก็ท่านก็ง่ายอยู่แล้วทุกอย่างเพราะท่านไม่ได้ไม่เรื่องมากกันแล้วท่านอยู่ในสถานที่ไใยท่านก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือท่านกําหนดดูจิตใจท่านสมาธิของท่านท่านก็อยู่แบบสบายสบายเออท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร แต่มีปัญหาทางก็แก่ไขไปคนมาหาท่านก็นเทศแสดงทำให้ฟังท่านอยู่ตามลาพังแต่นั้นมีพระสององค์ที่อยู่ด้วยแต่องค์หนึ่งเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่คงองค์หนึ่งชอบเอาเอาหน้ามันมีนะัพระชอบเอาหน้าก็มีในครั้งพุทธกาลในครั้งครั้งต น, นุจนเป็นนิทานมาแล้วก็พระมหากรสปะ ท่านก็รู้แต่ท่านก็ดูๆกรพทะสององค์นีเก่เาะเวลาตอนเช้าอาไปตั้งน้ําไม้สีฟันถวายพระมหาพระพัเทเธอละก่อนที่ท่านจะออกมาจากห้องอาจากนั้นก็องค์นี้ก็เข้าไปกระผมได้ตั้งไม้อและน้ําไม้สีฟันน้ําอุ่นไว้แล้วกระผมเพื่อล้างอาหน้ากระผม จะตาไม่จริงตัวเองไม่ได้ทำํำองค์หนึ่งเป็นองค์ทำํำแต่องค์นั้นก็เงียบปิดทองหลังพระนะพอถึงตอนบ่ายองค์นี้ไปบินราบาดมามาฉันแล้วขึ้นไปนอนกุฏิองค์นี้ก่อนพอฉันเสร็จแล้วก็พอตอนบ่ายก็ไปต้มน้ําแต่พอต้ม น, น้ําใส่หม้อเสร็จแล้วก็พอน้ำควันพุ่งขึ้นมาองค์นี้ก็ตื่นมัวเมียขึ้นมาเห็นน้ําพุ่งขึ้นมานะไปกราบพระเทเร่ พ ร, ร, ระคุณท่านครับผมกระผมได้ต้มน้ำสงเจ็บียบร้อยแล้วกระผมขอเนี่มุนสงน้ากรผมพระมหาเทระไดเวลาต้นก็ไปสงน้าแต่องค์นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแต่องค์นี้เป็นว่าเสนอหน้าพระในครั้งพุทธกาลมันมีนะไม่มน่ามีแต่มันมีนะเพราะกิเลสสมัยน้นกิเลสสมัยนี้ มันคืออันเดียวกันแต่ที่ก็ต่อมาเจานีองค์ที่ปิดทองหลังพระในก็เอ๊จะแก่เผ็ดยังไงนะกับพงศ์นีนาในหาวิธีการอะไรกัเนเลยเพราะมันหลายครั้งต่อหลายหนนะอมิแต่จะเสนอหน้าอยู่ตลอดองค์เนี้ยเอาหน้าตัวเองตลอดวันหนึ่งก็เลย <c oughs> ไปต้มน้ําขึ้นมาพอต้อมน้ําขึ้นมาแล้วก็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 อ้น้ำองนั้นต้มแล้วพร้อมที่จะถวายรายงานส่งน้ำได้แล้วตัวเองก็ขึ้นไปพอไปกราบขกรยนิมนต์ท่านป้าจานครับนอมนต์ส่งน้ำกับผมน้ำเดือดแล้วก็ผมแต่นี้ก็พระเละก็เออท่านก็ลงมาลงมาตัวเองกับหัวเมียไปก็ไปจับขันน้ำ ล้วงลงไปในหม้อน้ํามันดังโคกลากเถอะนี่มันไม่มีน้ํำเลยจะเนี่ยน้ํามันพีเพียงกะวยเดียวเพิ่อให้ไฟไม่หม้อเท่านั้นเองไอ้ไม่จควันขึ้นมากันรู้เลยว่าอองค์ที่แอนองค์ที่เพื่อนกันเนี่ยต้มเราแล้วฮะแอเขาเขาแก้เผ็ดเราแล้วทีนี้ก็โมโหขึ้นมาก็จมบุ่มบบุ่มบเอาน้ําทําไมไม่ใส่จงรู้อย่างนี้แต่พระมหาเทระพระมหากัตถป่ ท่านรู้อดีตอนาคตปัจจุบันแต่ท่านก็ทำให้ไงเฉยเฉยเหมือนกับเลด้าเนี่ยเลดา้าไม่ใช่ว่าจะกลางไว้ตลอดเวลา เ, เวลาไม่จำเป็นท่านก็หุบปไว้เหมือนกันนะ เ, เมื่อเขาจำเป็นท่านจึงเปิดแสงสองเลดา้าออกไปเรื่องเรื่องนี้คือเรื่องอะไรท่านก็รู้นะแต่ถ้าว่าท่านไม่อยากจะรู้พมรู้นะแล้วก็ปิดไว้ปิดเลดา้าเอาไว้ อถ้าจะเปิดเรดาร์ไว้ทั้งวีทั้งวันมองไปที่ไหนก็คงจะเห็นกิเลสของคนเต็มยัวเย้เยไปหมดก็คงจะอาเจียทนทั้งวีทั้งวันหลงพ่อว่านะ เ, เพราะเห็นกิเลสของคนกิเลสโลภคนนั้นก็โลภคนนั้น ก, ก็โกรธคนนี้ก็หลงคนนั้นก็รักคนนี้ก็ชัง่อท่านจะเห็นกิเลสของมนุษย์ของสัปปสัพทั้งหลายเอท่านก็คงจะหลับตาไว้เหมือนกันไม่อยากจะดูนะ อันนี้เป็นความคิดของหลวงพ่อนะนี้ท่านพระมหาการ์ตปะท่านก็รู้อืเขาแก้เผ็ทพระองค์นี้แหละจากนั้นพอพวกนี้ก็มัวเมียเอาน้ําไปใส่เอาหม้อไปใส่น้ําเพื่อจะมาตั้งค้างหม้ออีกองค์นั้นก็เลยไปเอาหม้อน้ําที่ตัวเองซ่อนไว้กระป๋องที่ซ่อนไว้อยู่หลังห้องน้ําเอามาส่งน้ําพระเทลละจากนั้นก็ท่านก็สูงน้ํา สกน้ำพอตกตอนเย็นพระสองฆ์องค์ก็ขึ้นไปเพราขึ้นไปพระมหาเถระท่านก็สอนเอยท่านท่านต้องพูดตามความเป็นจริงท่านอย่าไปโกหกผมดูดูท่านอยู่นะดูดูแลนะท่านเอเอาผลงานของคนอื่นใน้่านท่อโกหกการโกหกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องชื่อตรง มีอะไรต้องพูดตามความเป็นจริงอันนั้นคือพระถ้าพูดถ้าทําอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องของพระท่านก็นสอนด้วยทำด้วยพี่นายแต่มันคนภาและภาแลชนพระที่เป็นพานเป็นภารชนพอฟังเข้าไปแล้วมันขวางหูถิ่นนี่เพราะเหตุอะไเพราะมันเป็นคือคนพานคนคนไม่ดีคนภาแลชน เขาสอนท่านสอนให้ดีไม่เอาหรอกเพอาเหตุไรพราะมันเป็นคน่านไม่ยอมรับคุณงามความดีไม่ยอมรับความดีไม่ยอมรับความถูกต้องอมันคนพานไม่ต้องคิดไปในลักษณะอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านสอนเสร็จแล้วก็ุ่งในเช้ามาก่อนนึกโมโหเล้ว่าองค์นั้นอเอาเปรียบตัวเองแล้วก็พาเทแล้วก็เข้าข้างองค์นั้นอีกอมาดุให้เรา ตอนที่ ต, ตัวเองไม่ได้มันไม่ได้มองตัวเองพระไหมพราะที่จริงรรก็ปรุงในเช้าไปบินทบาทพระเทเรศก็ไปบิณทบาทกับพระองค์นั่นแหละองค์ที่ปฏิบัติท่านแต่องค์ที่กระ b u o เปล่าเนี่ยล้วงลงม้อ่ไม่ไปด้วยฮอพอไปกับองค์นี่ยกับไปบิณทบาทอีกทางไปก็ไปบอกโยมของพระมหาคาปะพระเทระบอกเออพระมหาเทระท่านป่วยนะอมันโกหกกเลย ป่วยท่านไม่สบายยอมเอมเอถ้าท่านป่วยก็เอาเอาอาหารถวายเปให้ท่านนะนี่นะอาหารท่านป่วยเป็นยังไงเอาอาหารที่อ่อนๆอาหารที่ป้าเสียละฉันได้เ้าก็เตรียมอาหารไห้พอกลับมาไม่เอาไปให้ตัวเองเอาไปฉันจนะ้ะมันเป็นมั น, นาพาโกหกนะเอาไปฉันซะพอไปฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นต่อมาอพระมหาเทระก็ไปบินทบาทกับญาติโยมเขาก็ถามว่าพระคุณท่านพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาที่นี่บินทบาทบอกว่าท่านพระเทระไม่สบายหายเลยอยังครับผมอพระเทระก็ไม่โพธิ์เมื่อวานผมก็ได้ฝากอาหารไปถวายท่านพระผู้เป็นเจ้านะพระพได้เจ้าได้ฉันอาหารของผมได้ถวายแล้ว คงจะดีคงจะหายไหมผกพูกเป็นเจ้าท่านก็ไม่โผพอพอมาท่านก็รู้ได้โอพระองค์นี้มันเป็นหลอกชาวบ้านเขาในวะอะไปทําอย่างนี้มันได้เหรอพระองค์เนี่ยพอตกตอนเย็นมาท่านก็เลยสอนพระองค์นั้นเองท่านอย่าไปโกหกนาะท่านเป็นพระนะต้นท่า น, ต, นต้องมีวินัยนะต้องมีฮิริโอตปะอนะ เนี่ยตรงถ้าทําอย่างนี้เป็นพระอาลึกชีตาเป็นผู้ไม่มีอย่างอายนะมันไม่ถูกนะพระต้องอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยจะเป็นผู้อย่างนี้ทําอย่างนี้ได้อย่างไรไปโกหกได้อย่างไรเราเป็นพระเนีอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะพอจากนั้นมากับองค์นี้ก็ยิ่งโมโหขึ้นมาว่าหาว่าพระพทุทธเจ้าว่าหาว่าพระมาหาก็จะปจาเข้าข้างองค์นั้นองค์พระที่ดูแลนะั้น ลังเกียดเดียดฉันตัวเองเถอะแล้วตามจริงพวกพระมหากษตรโลกมหาเกษตรป่าท่านเป็นพระหันท่านพูดตามความเป็นจริงแต่น่ะภาลชนน่ยไม่ยอมรับความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วเข้ากันไม่ได้กับพวกคนผ่านภารชนจากท่านพอพุ่งในเช้ามาองค์นี้ไม่บิณทบาตด้วยอองคนั้นก็ไปบินทบาทกับพระมหากัตรปะจากนั้นองค์นี้อยู่วัดไงเถอะ ทุบตุ่มน้ำ อ, อ, อันไหนที่ของใช้อยู่ในบนศาลานทุบแหลกหมดผลทีสุดจุดไฟเผาพ อ, อจุดไฟเผาแล้ว เ, เ, เปิดแนบแลเลยเผ่นเลยพระมหากขจะปะมาเห็นแต่ไฟไหม้ศาลาหมอนไฟไหม้ลูกสิษเผาพวกนั้นกลับไปเลยฉะใจแล้วนั้นแต่นุ่นละ นยมมาถูดเขาคงจะบันทึกไว้อย่างหนักเพ่านั้ น, นเอาเวจีนั่นแะมหานารกนั่นแหละที่จะเป็นที่ไปพระมหากระตปะมาแล้วท่านก็เออเผาขุติเอาสร้า ง, างมาใหมท่านก็ทาแบบเล็กๆงๆ่ายๆขจารจมก็ทาจากนั้นมาพระมหากระตปะก็อยู่ที่นั่นแต่นี้มีพระสงฆ์อยู่ในละแวกนั้น ก่อนที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าท่านก็นมากราบพระมหากัตปะทก่อนเพราเป็นพี่ชายใหญ่อองหนึ่งอยู่ในละแวกนั้นเขามากราบเสร็จแล้วก็ทราบข่าวพอทราบข่าวเสร็จแล้วก็ลาพระมหากัตปะกทำไมกราบพระพุทธเจ้าฮะพระมหากัสปะบอกเออถ้าไปกราบพระพุทธองค์ก็ฝากกราบลาลึกถึงพระพุทธองค์โดยหน้าผมอยู่ที่นี่พระเหล่านั้นเขาไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุโ์ว่ามาจากไหนมาจากที่นั้นทีนี้โดยทราบข่าวว่ากัสตปะมหากัสตปะอยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่กรัผมเป็นไงท่านผาสุกอยู่เหรอพระเหล่านั้นก็กลาวทูลเรื่องตามความเป็นจริงให้ฟังให้พระพทุทธเจ้าบอกว่าพระมหากัสตปะท่านอยู่ที่นั่นลูกศิษย์เผาสาลาแห่อวอดไปทั้งหลังพระพุทธองค์บอกว่าเออลูกศิษย์ของ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 อยู่ในปา่าแล้วมีนกนกขับิ่อยู่ในปา่ามันทํารังมันทํารังแต่นี้มีลิงตัวหนึ่งหากินในละแวกนั้นมันฝนเวลาฝนตกมันหนาวเถิดหนาวมาันก็ลัวสัน ง, งานนกเข้ามามันก็มาใกล้กลนกขมิ่นมันก็มาอาศัยพิงหยุด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 ไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์พรนั้นเจ้าจะมาสอนข้าเจ้าเป็นใครจะมาแนะนำสั่งสอนข้าเนี่ยมันคือการดูถูกข้าชัดๆพราว่าท่านั้นลิงนันกระโดดไปขยุมหลังนกขมิน้นนกขมิ้นกันหนีตายอีกเหมือนกันนะมันเพราะลิงขยุมหลังหนีออกจากหลงกังด้วยขณะฝนตกแต่นี้พระพุทธองค์บอกว่านี่แหละ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 เหมือนกับเราเป็นคนหิวโหวยคุณงามความดีอยู่แล้วแต่ถ้า ม, มีผู้ที่รู้ที่เหนือกว่าแนะนำสั่งสอนเราเราก็รับแล้วก็ปฏิบัติตามคนนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเหมือนกับคนได้กุศขมทรัพย์ได้แล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายเมื่อเอามาใช้จ่ายคนที่บอกชี้ขุมทรัพย์ไปเขาก็มันได้แบ่ง ไม่ได้แบ่งปันจากเรามีแต่เขาชี้ให้เท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันการแนะนำสั่งสอนของปาดบันฑิตัดปลาดให้พวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจารใจของเราเราก็เป็นผู้เป็นคนดีมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้เพราะได้รับการอบรมในการแนะนําั่มสอนจากผู้ที่ท่านรู้นี่แหละคือ ผู้ทีเ่เป็นบัณฑิตยอมฟังคำผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าพาละชนแล้วจะไม่ยอมฟังใครทั้งหมดนี่แหละคือนิทานเรื่องนี้ท่านสอนสอนให้รู้ว่าผู้เป็นพาละชนแล้วจะไม่ยอมฟังใครถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะยอมฟังเหตุและผลผู้ที่ให้เหตุผลมา แต่อย่างพระองค์นั้นไม่ยอมฟังเหตุผลของพระอาจารย์คือพระมาหากัสปะเทระมีแต่โกรธถือโทษโกรธเคืองผลให้สุกรังทำกรรมเสียใหญ่หลวงทีเดียวเผาบนทลาเผาแ ล, าล้วะมันจะไปที่ไหนบาปกรรมร้อก็จะต้องเข้ามาหาพระองค์นั้นอากตังลุ ก, กตังเสยโยปัช่า ต, ตปฏิลุ ก, กตัง ความชั่วจะทำเสเลดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลเผาผลาญตัวเองเมื่อภายหลังแหมเมื่อทำด้วยความฉลาดใจแล้วนะตายจากชาตินั้นก็นะลงสู่อเวจีมหานรกแหมคงไหม้อยู่ในนรกกันนานพอสมควรเพราะเบียดเบียนพระอรหรันต์เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้หรือเป็นนิชาดกุกก็เป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละคือการเป็นอยู่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 อย่าให้มันขวางเขาถ้ามันขวางเขาแล้วนะมันจะหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้โรคแอนตี้โรคขอมาเห็นด้วยนะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราสมัยท่านประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นท่านบอกว่า อ, อท่านไม่ได้บอกว่าต้นไม้ต้นยาท่านไม่ได้ว่าเป็นของมีวิญญาณให้เข า, าเป็นวัชพืช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 จะแปลว่าพระเหล่านี้ไม่มีศีลไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสแท้ที้คนกับโคนทนากันมากไปเรื่อยๆพราะเขาเขาถือว่าอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่พระพุทธองค์บอไม่ใช่แต่ต้นไม้ไม่มีปิญญาณแต่เชาบ้านเขาว่ามีฮท้ที่นี้พอประกาศศาสนาไปมันก็ไม่ไปเนี่เพราะว่าเขาไม่เคารพนับถือเลื่อมใสไม่ไปตามพระองค์กเรียกประชุมสง เขามาว่าดูก่อนสงทั้งหลายต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็จริงแต่ว่าพวกชาวบ้านเขาถือว่ามีมวิญญาณถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไปตัดดายต้นไม้ดายหญ้าเนี่ย เ, เขาว่าหาว่าพระไม่มีสิ่เนี่ตัดต้นไม้ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิจูดายก็ตามดายหญ้าตัดต้นไม้ต้องอาบัดปลายจิตติ บัญญัติเป็นฟินัยขึ้นมาเลยเป็นศีลขึ้นมาห้ามเลยนี่แหละเพราะพระไตรเจ้าท่ายจะว่าไปท่านแค่์ไหมแค่ชุมชนแครมนุษย์ไหมใช่เพราะว่าถ้าว่าเขาไม่นับถือไม่เลื่อมใสแล้วจะประกาศพระศาสน า, าไปได้อย่างไรอันนี้ที่ประกาศพระศาสน า, า, าไปได้เพราะชุมชนเปิดประตูรับเปิดประตูยอมรับ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 ทำไมทำทำได้ถึงขนาดนั้นในยนุคนี้สมัยนีเ้เขาก็ทำเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ถึงไม่ไม่ถึงไม่มีที่เรีกอุตตปะไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีเป็นพระที่ไม่มีไม่อยู่สํารวมในสิ่งและวินญาของพระพุทธเจ้าทั้งที่รู้ทาก็ตีอีก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 า ก, การทะเลาะวิบาทก็จะไม่เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นในชุมชนนั้นแต่ถ้าว่าทุกคนถ้าจับตัวใดตัวหนึ่งจับเสาขาอย่างเดียวจับหูอย่างเดียวจับหางอย่างเดียวมันก็เถียงกันวันอย่างค้ำอ่าประการขอให้พวกเราทุกท่านอันนี้คือเรื่องการเป็นอยู่ ถ, ถ, ถ้าจะจัดไว้เลยคือสอิ่รักษากายวาจะให้เรียบร้อยชื่อว่าสิ่ง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 กันูกอธิธาของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบได้วาเป็นสักขีพยานให้แก่พวกเราได้เห็นที่อธิธาของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าอันนั้นคือก็ถูกของพระอระหันต์นะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วกันถูกของท่านจะไม่ไม่เป็นไม่เป็นพระธาตนะุอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมั่นใจว่า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 ท่านฟังธรรมพระมันตีบุตรพระมนตีบุตรเถระที่ท่านแสดงจากนั้นพระอ่านหนังได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระมันตีถึงใจพอถึงใจท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระสุดาบันเป็นกุญแจดอกดอกแรกที่ท่านเข้าสู่อภริยะบุคคลจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมคมสอนของพระเทเจ้าจนถึงอายุแปสิปีเมื่อพุ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 จากนั้นนามาประพุทธปฏิบัติเป็นรูปธรรมขึ้นมาถึงใจเป็นอัตเป็นธรรมเราก็นะ่ก็ได้สบายใจแล้วว่าถึงมรรคถึงผลเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาตามขั้นตอนที่เราเข้าใจนี่แหละให้พวกเราศึกษาที่นี่นเพื่อนเราศึกษาแต่ถึงยังไงอย่าสับสนให้ยึดแนวแถวเอาไว้เอายึดแนวแถวอะไรก็คืออย่างหวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรสอนว่าเวลา อยู่ในความสงบก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระพอไหว้พระอระหังสวากัตโตสุปฏิปะน o n เท่าเท่าที่จะไหว้เท่าที่เราจะเรียนได้ไม่ใช่ว่าเราจะสวดเป็นเล่มเป็นเล่มเขาเขียนให้แต่ใดจับมาสวดอ่านอยู่นะไม่ใช่หรือจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าเรามีเวลาเท่าจิตใจของเราปูงฟุง้ง เ, เราจะนั่งภาวนามันไม่อยู่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 ไหว้ครูซัก่อนพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเมื่อลงแล้วเราจะแผ่เมตตาอีกก็ได้เพราะว่าเราจะให้ใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือโทษโกรธเครืองกับใครๆทั้งหมดในจกกักรวาลเนี่ยถือโทษไปกันแล้วเท่านั้นผูกพยาบาทอาฆาตและก็เท่านั้นมันได้อะไร เวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรเราจะไปจองเวรเพื่ออะไรอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนกี่ปีเราอายุเท่าไหร่เราก็จะต้องลาโลกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอายุแปดสิบเก้าสิบปีเราจริงจะตายไม่ใช่อาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้ตายเวลาไหนก็ได้เพรา ะ, ะนั้นเราจะไปพยาบาทอาฆาตให้งโง่ทําไมเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางเวลาเราจะนั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิจะค่อยว่ากันมีอะไร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 กรรมฐานของหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะทําให้หลุดหลุดได้ง่ายเาผลอได้ง่ายลืมได้ง่ายควรจะสำทับด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโถบริกรรมพุทโถ ด, ด้วยเพื่อจะให้มันอแน่นขึ้นอันนี้หลวงตามหาบัวท่านก็ยอมรับท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ท่านกําหนดเพียงกำหนดลมลมหายใจเข้าหายใจออก มันหลุดได้ง่ายจากนั้นเราเขาดขาดความบริกรรมจากนั้นมาท่านเคยตั้งตัวใหม่ตั้งตนใหม่บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคือบริกรรมจากนั้นเวลาเดินขาขวาพุทธเวลาเกิดขาซ้ายโธเวลาเดินพุทโธพุทธโธขาขวาพุทซ้ายโธ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 เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราจะต้องศึกษาให้ใหกว้างขวางให้เรียนรู้แต่แต่จะให้สับสนถ้าเรียนมากเกินไปก็มไม่รู้จะจับต้นปลายสาเหตุอะไรอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องที่ถูกต้องเลยอย่างที่หลวงพ่อพูด ย, นะยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่จะนั่งภาวนาอย่างไรไอ้ น, นี่พอเราเราก็พอจะจับประเด็นได้แล้วว่า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 แต่หลวงพ่อก็แนะนำอีกมุมมุมอีกมุมหนึ่งให้พวกเรานับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งให้จะออกนับสองนับถึงร้อยถ้ามันจะเผลเนะี่มันจะนับหนึ่งเป็นเลขขี่สองเป็นเลขคู่เข้าเป็นเลขขี่คู่ขี่คู่ี่คู่กี้คู่ไปตลอดถึงทศถึงร้อยถ้ามันจะเผลมันจะเข้ามันจะคู่ออกมันจะขี่นะแต่เรามันเบอร์แล้วนะผิดจังหวะแปลว่าเราหลงตั้งต้นไม่ เสียงเหลนี้ <uckle head S 1> พวกเราฝึกการทําสมาธิเมื่อติดขงรอเป็นสมาธิดีแล้วเราจะทํากิจการงานอันไหนเราจะพูดคุยหรือจะไปนักสถานที่ใดเราก็มีสมสมาธิในตัวเองไม่ใช่ว่าเผลอๆปั้มๆเผลอๆเบ้อๆเบ้อๆบ้าๆบอๆมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้ามันขาดสตินะถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วน่าจะเป็นที่ยอมรับ